การที่พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นการเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพานนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของกระบวนการคือเรียกว่าปริยัตเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะดาเนินชีวิตของเราอย่างไรเพื่อที่จะได้เกิดผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษกับชีวิตจิตใจของพวกเราหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วก็เราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นที่สองคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ เข้าสู่กระบวนการขั้นที่สามต่อไปก็คือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติการได้เข้าถึงมรรคผลผนิพพานนี่เป็นขั้นที่สามก่อนที่จะไปถึงขั้นที่สามได้ต้องผ่านขั้นที่สองผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนเพราะถ้าไม่มีการผ่านขั้นที่หนึ่งเช่นไม่ได้ศึกษา ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติตอนอย่างไรเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้เมื่อเรานําเอาไปปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เลยดัยงนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องมาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนซึ่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาปรากฏให้โลกได้ศึกษากันอย่าง อย่างบ่อยครั้งนานๆจะมีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้สักครั้งหนึ่งคําว่านานนี้ก็คือเป็นกลับเป็นกันคําว่ากลับว่าการ น, นี้มันก็เป็น ระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะประมาณได้ด้วยตัวตัวเลขเช่นแสนล้านหรือล้า น, ล, านล้านปีมันยาวไปกว่านั้นมากดังนั้นโอกาสที่เราจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากยากกว่าการงมเข็มในมะ หาสมุทรอีกหลับตางมเข็มในมหาสมุทรนี้ยังง่ายกว่าการมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าได้พบกับพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคกลาภอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมีได้ที่จะพบได้ถูกรตตรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้ง ยังสู้การที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพียงครั้งเดียวไม่ได้เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรอครั้งเพราะเงินที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่นี้ก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทําให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่สมบูรณ์และถาวร ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความที่ความโชคของพวกเราโชคลาภของพวกเราที่นานๆานจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราจึงควรที่จะมีความยินดีมีฉันทะมีวิิยะความอุตสาหะภาคเพีย ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับว่าจะต้องศึกษาจาก พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงดำรนพระชนชีพอยู่เพราะว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เต็มร้อยดังที่ได้ทรงกล่าวไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตะขตะถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก็จะต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนก่อน นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของพวกเราที่นานๆครั้งจะโคจรมาพบกันสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไป ยังไม่มีวันจบสิน้นการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่ผ่านมาในอดีตนี้มันก็มากมายกายกองท่านให้เราประมาณได้โดยการดูน้ำตาที่เราได้หลังในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลังนี้มารวบรวมกันท่านว่ามีจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ครั้งด้วยกันถึงจะสามารถร้องไห้หลังน้ำตาได้ปริมาณของที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราแสดงว่าเราในอดีตไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ม, มาเลยหรือว่าพบกับ พบแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าบัวใต้น้ำบุคคลที่ถึงแม้ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจกับการปฏิบัติธรรม นี่ก็อาจจะเป็นในลักษณะนั้นถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ยังมาเกิดอยู่ในตอนนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเลยและพบนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอีกก็ได้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษามันฟังเทศฟังธรรม อยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อเพื่อให้เกิดฉันทะความยินดีให้เกิดวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ จำเป็นจะต้องมีการบังคับจิตใจเพราะถ้าปล่อยให้ทำไปตามความพอใจแล้วจิตใจจะไม่พอใจกับการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติตามคาสอนนี้เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาเป็นสิ่งที่ยากลำบาก ซึ่งไม่มีใครอยากจะทำกันไม่มีใครอยากจะขึ้นภูเขาไม่เหมือนกับการเดินลงเขาการเดินลงเขานี่มันง่ายมันสบายการกระทำตามตันหาความอยากที่เป็นตัวฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นการกระทำที่ง่ายได้ เหมือนกับการเดินลงเขาแทบจะไม่ต้องบังคับกันเลยขอให้มีช่องมีโอกาสเท่านั้นมีใครมาชวนให้ไปเที่ยวให้ไปทำอะไรตามความอยากนี้แทบจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไม่ทันพอได้รับคำเชิญ น, นั่นี้จมันไปก่อน้ะ ก่อนที่จะล่างก่อนที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไปนี้ใจไปถึงที่ที่อยากจะไปแนละ้วเพราะใจชอบทำตามความอยากพอให้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ผืนความอยากต่างๆจึงรู้สึกว่าเป็นของที่ยากมากแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานใจด้วย เพราะเวลาที่ต้องฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากนี้จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใ จ, จเกิดความเศร้าสอยงอยเหงาว้าเหวขึ้นมานี่คืออํานาจของความอยากที่มันมีอยู่ในใจของพวกเรา มันจะสร้างอารมณ์บูเดเบี้ยวต่างๆให้กับพวกเราเวลาที่พวกเราไม่ตอบสนองความอยากของมันมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่เราจะได้มาบังคับจิตใจให้เรากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราต้องเปรียบเทียบว่าจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกาย ร่างกายของเราถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาแต่เมื่อได้รักษาได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายเราก็ยอมเจ็บยอมให้หมอผ่าตัด เพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแผลได้หายแล้วความเจ็บก็จะหายไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปพวกเราจึงยอมเจ็บกันเวลาที่ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลฉันใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเรามารักษาใจของเรา ที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคของความทุกข์ต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่ไปรักษาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆมันก็จะไม่มีวันหมดไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเรื่อยๆมันก็จะ พาให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บของจิตใจเราก็ต้องผ่าตัดใจของเราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจให้ออกไปจากใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นใจต่อจิตใจก็คือตันหาทั้งสาม เรียกว่ากามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสความอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีแต่ความสุขความเจริญในราบยศสัจเสริญและวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่ให้ความสุขความเจริญ ราบยศสะละเสริญสุขนี้เสื่อมจากเราไปถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราต้องการกำจัดเอาความอยากทั้งสามนี้ออกไปเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนการผ่าตัด เอาเนื้อร้ายออกจากใจของเราเอากามตันหาเอาภาวะตันหาและวิภวะตันหาออกไปจากใจของเราหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วไม่มีความอยากทั้งสามอยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ทั้งปวงเหมือนกับคนไข้ที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดนี่คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายแต่เหตุผลนี้เหมือนกันเรายอมเจ็บเพื่อรักษาร่างกายทำไมเราไม่ยอมเจ็บเพื่อรักษาใจที่มีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายของพวกเรานี้ จะรักษาให้ดีอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ไม่เกินน้อยปีเป็นอย่างมากแต่ใจของเรานี่สิมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันหมดถ้าไม่รักษามันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ารักษามันก็จะหายทุกข์แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านยอมรักษาท่านยอมเจ็บตัวยอมผ่าตัดยอมผ่าใจเพื่อเอาตันหาทั้งสามคือกรรมตันหาภาวตันหาวิภาวะตัน ห, หาออกจากใจไปพอท่านได้กําจัดมันหมดแล้วใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก เชื้อโรคที่จะมาสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจไปตลอดมีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าบรมมาสุขนี่คือการใช้เหตุผลเพื่อที่เราจะได้มีความยินดีที่จะมารักษาใจของพวกเราเพราะว่า ถ้าเราไม่รักษามันก็จะไม่มีวันหายและโอกาสที่ได้เจอหมอเจอโรงพยาบาลที่จะรักษาโรคใจได้นี้นานๆก็จะมีสักครั้งหนึ่งเช่นในพบนี้ชาตินี้เป็นโอกาสอันเลิศอันวิเศษที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเราได้มาพบกับหมอพบกับโรงพยาบาล ที่สามารถที่จะกำจัดโรคของใจเชื้อโรคของใจก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วก็เป็นความจริงเพราะมีผู้ที่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ส่งรักษา พระไถ่ของพระองค์เองจนสามารถที่จะทำให้ความอยากต่างๆทั้งหลายหายหมดไปจากใจทำให้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอดหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปเชื้อเชิญผู้ที่มีความทุกข์ให้มารักษาตัวผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้า แล้วมารักษาตัวกับพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพบท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอาหารหันตาสาวกหลังจากนั้นพระอาหารหันตาสาวกก็ช่วยพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ดูรักษาผู้อื่นต่อไปทรงไปชวนไปชวน ญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่มีศรัทธามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในใจให้มารักษากันพอมารักษากันก็สามารถที่จะรักษาได้หายจากโรคภัยของจิตใจได้หายจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้ใครก็ได้ไม่มี คำว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็รักษาได้เป็นคาวาสก็รักษาได้เป็นหญิงเป็นชายก็รักษาได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็รักษาได้อยู่ที่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้าต้องการรักษาหมอยินดีที่จะรักษาให้เพราะตามคําำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ยินดีที่จะรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่เราว่าเรายินดีที่จะรักษาใจของพวกเราหรือไม่ถ้าเราไม่ยินดีก็จะไม่สามารถที่จะรักษาได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความยินดีของเราอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อในหมอในยาว่าจะรักษา ความทุกข์ทั้งหลายให้หายไปจากใจของพวกเราได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีความยินดีที่จะรักษาก็ช่วยไม่ได้ก็จะต้องทุกข์อย่างนี้ต่อไปจะต้องหลั่งน้ำตาต่อไปคิดถึงเวลาที่เราหลัง่งต้องหลั่งน้ำตากันบ้างเวลาที่เราต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ เวลาที่เราต้องประสบกับความสูญเสียประสบกับการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งที่เรารักเราชอบกันแล้วคิดดูซิว่ามันมันน่าจะต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่เรามีทางเลือกเราไม่ต้องหลั่งน้ําตากับเหตุการณ์ต่างๆเราไม่ต้องกลับมาเกิด มาเจอเหตุการณ์ต่างๆซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างที่เรากําลังเจอกันอยู่ในขณะนี้เราต้องคิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการรักษาใจของพวกเราแล้วมันจะทําให้เรายินดีที่จะรักษาใจเหมือนกับที่เรายินดีที่จะรักษาร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เพราะความหลงมันกลับทำให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอร่างกายเราเป็นอะไรไปนี้ถ้ามีใครมารักษาให้ได้นี้เราพร้อมที่จะให้เขารักษาทันทีแต่ทำไมใจที่เป็นของเราแท้ๆเรากลับไม่ยินดีให้ได้รับการรักษาก็เพราะว่าเรายังหลง เห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเรายังไม่เห็นว่าใจนี้เป็นตัวเราและไปเห็นว่าร่างกายนี้สำคัญกว่าใจใจจะทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่สนใจขอให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่ทรมานแต่เพราะความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ทรมานนี้เอง เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมารถองใจขึ้นมาพราะความหลงไปเห็นความสําคัญของร่างกายนี้สําคัญกว่าใจหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราต้องรักษามันอย่างสุดเวยงเลยอมีหมอที่ไหนมียาที่ไหนวิเศษขนาดไหนถ้าเป็นอะไรแล้วจะต้องรักษามันให้ได้ แต่รักษายัางไงมันในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจของพวกเรานี้ที่เป็นตัวเราเป็นของเรานี้เรากลับไม่ยินดีที่จะรักษากันเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราไม่เห็นความสำคัญของใจเราจึงต้องมาพบกับพระพุทธเจ้ามาพบกับพระธรรมคำสอน ที่ทรงตัดสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สำคัญใจนี้สำคัญเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้รุนแรงยิ่งกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายการรักษาดูแลความสุขของร่างกายนี้ มันได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยได้ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เหมือนกับการดูแลรักษาใจที่จะได้ประโยช น, ไไยชน์ได้ความสุขอย่างมากมายเพราะความสุขของใจนี่ใหญ่โตยิ่งกว่าความสุขของทางร่างกายความทุกข์ของใจก็ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายถ้าเปรียบเป็นปริมาณน้ำ ความสุขความทุกข์ใจความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนน้ำที่ใส่ไว้ในตุ่มแต่ความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในสระมีความใหญ่โตกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายที่เราทุกขกันนี่ไม่ได้ทุกที่ร่างกาย ความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรความทุกข์ที่แท้จริงนี้มันอยู่ที่ใจของเราเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บของร่างกายนี้มันนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจความเจ็บของใจนี้เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ว่าการไปอรยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป นี่เป็นการสร้างความเจ็บของใจขึ้นมาที่มีความรุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายถ้าไม่มีความอยากหรือหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บเลยอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปใจจะไม่ทุกข์เลยแล้วใจจะสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบาย นี่คือเรื่องของใจที่ถูกความหลงหลอกให้สร้างความอยากต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจเพราะไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจสุขหรือใจทุกข์นี้เกิดจากความอยากหรือไม่มีความอยากนี้นั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์เลยใจจะมีแต่ความสุขความสบาย แต่ถ้ามีความอยากขึ้นมาเมื่อไรใจจะทุกข์ใจจะเครียดใจจะทรมานขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมารักษากันก็คือใจของพวกเราด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เราควรที่จะดูแลรักษา สิ่งใดที่เราควรจะปล่อยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยมันก็จะทําให้จิตใจของเราทุกทรมานด้วยความอยากนั่นเองเช่นร่างกายนี้ท่านสอนว่าเราต้องปล่อยเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราและมันจะต้องจากเราไปในวันใดวันหนึ่งเวลาที่มันจะจากเราไปถ้าเราไม่ปล่อย เราอยากจะให้มันอยู่ต่อมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมากมายและอยากยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายของร่างกายได้อยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆแต่ก็ต้องทุกข์เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์เพราะว่า ยังไงยังไงก็อยากเพราะยังไงยังไงก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมันเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันอยู่กับเราเพราะเราจะคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกับมันอันนี้เราต้องมาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา และการปล่อยให้ร่างกายไปนี้ไม่ได้ทําให้เราตายไปกับมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ไปกับมันเรากลับจะสุขเรากลับจะสบายถ้าเราปล่อยมันได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนแล้วก็ส่งสอนวิธีปล่อยถ้าเราอยากจะปล่อยเราต้องมาบําเพ็ญจิตตภาวนา มาจเจริญส ม, มถภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีส ม, มถะมีวิปัสสนาภาวนาเราจะปล่อยวางร่างกายได้เราจะไม่ทุกข์กับการตายของร่างกายได้เพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เราจะเห็นว่ามันต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายและไม่มีใครที่จะมาห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นผลที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติ ตามที่พุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ทรงพิสูจน์มาแล้วว่าการปล่อยวางร่างกายนี้การปล่อยให้ร่างกายตายไปนี้ไม่ได้ทําให้เราตายไปกับร่างกายแต่การยึดติดกับร่างกายการอยากให้ร่างกายไม่ตายจากเราไปนี้ จะทําให้เราทุกทรมานใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องเจริญจิตตะภาวนาต้องเจริญสมถะภาวนาก่อนคือทำใจให้สงบทาใจให้ปล่อยวางร่างกายชั่วคราวให้ได้ก่อนเวลาใจสงบนี้ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันใจจะ ไม่รับรู้ไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายแต่จะแยกกันได้ก็เพียงชั่วคราวในขณะที่อยู่ในความสงบ พ, พอออกจากความสงบมาใจกับร่างกายก็จะมารวมกันใหม่แล้วก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจใหม่ขั้นที่สองนี้ก็คือขั้นวิปัสสนาต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นดินน้ําลมไฟทำมาจากดินน้ําลมไฟน้ําที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปดินก็คืออาหารที่เรารับประทานกันเช่นข้าวผักนี้ต้องมาจากดินต้องปลูกในดินะ เป็นบินในสภาพของข้าวในสภาพของผักพอเรากินเข้าไปมันก็ไปผสมกับน้ํากับลมที่เราเดื่มเข้าไปที่เราหายใจเข้าไปทำให้มันสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายขึ้นมาสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อเอ็นกระดูกสร้างอวัยวะต่างๆ เส้น ม, าม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเยื่อในสมองศีรษะเป็นต้นอันนี้มาจากธาตุทั้งสี่เกิดดินน้ำลมไฟไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเราไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟเราเป็นตัวรู้ตัวคิดซึ่งมาอาศัยหรือว่ามาครอบครองร่างกายนี้ แล้วก็อยู่ไปด้วยกันจนทำให้หลงคิดไปว่าเป็นร่างกายไปเพราะใจตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ที่มีรูปมีร่างนี้เป็นใจไปใจก็เลยรักและหวงร่างกายอันนี้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าใจของตนเองยอมทุกขทรมานใจ เพื่อที่จะรักษาดูแลร่างกายยึดติดกับร่างกายเพราะไม่รู้เพราะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราไปคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราจะตายไปแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าเราภาวนาเราจะรู้เวลาเราทำใจให้สงบนี้เวลาใจสงบ ใจจะปล่อยร่างกายแล้วจะเหลือแต่ตัวใจคือตัวรู้เราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือใจผู้รู้หรือสัตว์แต่ว่ารู้นี่คือใจที่มาประกบติดอยู่กับร่างกายพอเวลาทําใจให้สงบใจก็แยกออกจากร่างกายชั่วคราวแต่ก็ต้องกลับไปรวมกันใหม่เพราะว่า ยังมีความมีสิ่งที่เรียกว่าอุปทานสิ่งที่ผูกมัดกันไว้อยู่พอออกจากสมาธิมาจิตกับร่างกายก็มารวมกันเป็นหนึ่งเหมือนน้าในขวดน้ำเวลาเราเทน้ำออกจากขวดเราจะเห็นว่าน้ำนี้เป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งแต่เวลาที่เราเอาน้ำเทกลับเข้าไปในขวดนี้ เราจะมองเห็นว่าน้ำกับขวดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีรูปร่างของขวดน้ำนี้จะมีรูปร่างของขวดขึ้นมาก็เลยไปคิดว่าน้ำนี้เป็นร่างกายไปน้ำนี้เป็นขวดไปใจเวลาออกจากออกจากสมาธิใจก็จะกลับไปรวมกับร่างกายก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ แล้วก็จะไปรักไปหวงไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดความทุกข์ใจทั้งๆ ท, ที่ร่างกายนี้ยังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทันตายเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ทุกข์ไปกับมันก่อนแล้วแล้วยิ่งเวลาที่ไปเจอความแก่ความเจ็บความตาย ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะว่าใบหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงสอนให้เจริญวิปัสสนาให้มันสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นดิ่มน้ำลมไฟเป็นคนละส่วนกันร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไป ใจนี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายไม่ต้องไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะว่าอยากให้ร่างกายไม่ตายก็ห้ามความตายของร่างกายไม่ได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุพอได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชั้น เวลาที่เกิดความทุกข์กับร่างกายก็รู้ทันทีว่ากำลังยึดติดกำลังอยากให้ร่างกายนี้ดีอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอใช้ปัญญาก็พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเมื่อเห็นความทุกข์กับความไม่ทุกข์นี้อยู่ที่ความอยากของใจใจเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาเองไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ทาให้ใจทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากนี่คืออริยสัจสมุทัยคือความอยากนี่เป็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจ ก็เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยพอปล่อยแล้วความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าการเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคด้วยวิปัสสนาภาวนาผู้ใดเห็นอริยสัจสี่ในร่างกาย ก็จะละสกายะทิฐิได้ปล่อยวางปล่อยวางร่างกายได้มีสัมมาทิฏฐิมีเห็นเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายไปทุกๆุกคน ทุกๆร่างกายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายแล้วผู้ที่มาครอบครองก็แยกทางกันไปจะไปทางทิศไหนก็ขึ้นอยู่กับความอยากที่มีอยู่ในใจหรือไม่แล้วขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจ ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะถูกบุญและบาปนี้เป็นตัวพาไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสู่สุขคติถ้าบาปมีมากกว่าก็จะดึงไปสู่ทุกขคติแล้วก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมายึดมาติดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีความอยากมีวิปาาัสสนาญาณมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความอยากนี่เป็นตัวที่จะนำให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่จะนำไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายเมื่อได้กาจัดความอยากหมดไปจากใจแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ก็ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ที่มีแต่บรำ ม, มัสุขไปตลอดเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นที่หลุดพ้นของความทุกข์ทั้งปวงที่ทุกคนสามารถไปได้ถ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านําทางและมีความยินดีมีศรัทธาความเชื่อ มีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆ ร, รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกันทุกคนผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอยู่แล้วว่า ไปได้บางคนก็เจดวันก็ไปถึงบางคนก็ช้าหน่อยก็เจ็ดเดือนบางคนถ้าช้ากว่านั้นก็เจดปีรับรองว่าไปถึงได้ถ้ามีการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งสมถะคือความสงบและวิปัสสนาคือความรู้ความฉจาด เป็นเหมือนกับการมีมือซ้ายและมือขวาเวลาจะทำงานอะไรนี้ถ้ามีมือเดียวนี้ทำได้ยากกว่าการมีสองมือเวลามีสองมือนี้ทำอะไรได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดายถ้ามีมือเดียวนี้ทำได้ยากลาบากและอาจจะไม่สามารถทำได้สำเร็จฉะนั้นใดการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี้ จำเป็นจะต้องมีทั้งสมถะภาวานาและวิปัสนาภาวานาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้พระพุทธเจ้าจะสอนสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาให้เสียเวลาไปทาไมทําไมไม่สอนวิปัสนาภาวานาอย่างเดียวทําไมสอนให้มีสมถะภาวานาด้วยเพราะมันจําเป็นจะต้องมีนั่นเองถ้าไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ อย่างนั้นอย่าหลงไปกับคำสอนของบุคคลบางบุคคลที่สอนว่าไม่ต้องเจริญสมถภาวนาไม่ต้องนั่งสมาธิให้เจริญปัญญาให้เจริญวิปั ส, สนาเลยแต่มันจะไม่เป็นวิปั ส, สนามันจะเป็นสัญญาความจำเสียมากกว่าเวลาจะใช้มันก็ลืมใช้ไม่ได้เวลาที่จะมองเหเวลาที่จะปล่อยร่างกาย เวลาที่จะมองให้เห็นว่ามันเป็นไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราก็จะลืมไปเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายแทนที่จะคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราก็กลับไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดการยึดติดทันทีเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปอยากให้มันหายจากโรคภัยค่าเจ็บนะแล้วก็ต้องทุกข์ไปกับร่างกาย เพราะว่าวิปัสสนาหรือปัญญาที่ขาดสมาธินี้จะไม่มีความสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากการยึดติดกับร่างกายได้ถึงแม้จะจำได้ถึงแม้จะรู้ว่าน่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่ถ้าไม่มีสมถะก็จะไม่มีกำลังที่จะปล่อย เพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติอย่างเค้่งครัดปฏิบัติให้ครบสูตรที่ทรงสอนทรงสอนทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือการทำใจให้สงบนั่งสมาธิใช้สติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไป โดยที่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบปล่อยวางร่างกายได้ชั่วคราวพอรู้จักปล่อยวางด้วยสมาธิแล้วพอออกมาใช้ปัญญาเพื่อสอนให้ใจให้ปล่อยวางก็จะปล่อยได้พอรู้จักวิธีปล่อยแล้วปล่อยด้วยอุเบกขานี่เองก็คือทำใจให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลง อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วก็จะปล่อยมันได้จะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้ายังดูแลได้ก็ดูแลกันไปรักษาได้ก็รักษากันไปถ้าดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันนีวิปัสสนาแล้ว สมถาภาวนาสามภะสมถะเป็นตัวปล่อยวิวิปัสนาเป็นตัวสอนให้ปล่อยเป็นตัวบอกให้ปล่อยเมื่อถึงเวลาต้องปล่อยก็ปล่อยเมอยังไม่ถึงเวลาต้องปล่อยก็ยังไม่ต้องปล่อยเช่นร่างกายยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็ไม่ต้องไปฆ่ามันปล่อยมันอยู่ไปเอามาใช้ประโยชน์ร่างกายของพระเจ้าหลังจากทรงตัดสรูวแล้ว ก็นาเอามาใช้ประโยชน์อยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ทาลายมันเมื่อมันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเมื่อยังรักษามันได้ก็รักษามันไปแต่เมื่อถึงเวลาสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษามันได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองแต่ใจนี้ไม่ได้ทุกข์กับการอยู่หรือกับการไปของร่างกาย เพราะมีปัญญาและมีสมาธิที่จะทําให้ใจไม่เดือดร้อนกับการอยู่กับการไปของร่างกายร่างกายอยู่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขมีความสงบโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนี่คือเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราได้หลุดออกจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ก็พุ่งไปที่การกําจัดความอยากต่างๆนี้เองเช่นการทําทานนี้ก็เป็นการกําจัดความอยากไม่ต้องการให้เราใช้เงินทองไปทําตามความอยากต่างๆ ไปซื้อของต่างๆด้วยความอยากหรือไปเที่ยวหรือไปทำอะไรด้วยความอยากเพราะมันจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเอาเงินมาทำทานแทนเอาเงินมาทำบุญทำทานแทนอย่าเอาเงินไปทำตามความอยากเมื่อไม่ต้องใช้เงินทำตามความอยากก็ ge, ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็จะมีเวลามาปฏิบัติ มารักษาศีลมาเจริญสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อได้บำเพ็ญอย่างเต็มรูปแบบก็จะได้รับผลอย่างรวดเร็วภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปพินิษพิจรารณาและปฏิบัติตามเพื่อรประโยชน์สุข คือความสุขที่ถาวรของพระนิพพานและการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปิริปุรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิศะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวัฏาติอายุวโนสุขังภาลา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 ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมาให้พิทยกรอ่านถามไปก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณแสนโพคินผมพยายามฝึกภาวนาบริกรรมพุทธโธในทุกๆอิรยาบทเมื่อจิตเผลอไปปรุงแต่งก็จะลืมคำบริกรรมแต่พอสติระลึกได้ ส่วนใหญ่จิตจะหยุดปรุงแต่งผมก็จะบริกรรมพุโทโธใหม่แต่บางครั้งจะเห็นจิตนิ่งแล้วพยายามปรุงต่อผมควรเอาสติตามดูเพื่อพิจารณาสังขารความคิดปรุงแต่งก็ตกภายใต้กฎไตรลักษณ์หรือดึงจิตกลับมาที่คําบริกรรมดีครับตอนแรกนี่ขอให้จิตคำบริกรรมก่อน ขอให้เราหยุดจิตให้ได้ก่อนหยุดความคิดทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิได้ก่อนถ้าเราหยุดไม่ได้ไปดามดูความคิดเดี๋ยวมันก็พาเราไปฟุ้งซ่านต่ อ, อยั น, นตอนต้นนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้จิตรวมเป็นเป็นสมาธิให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยดึงจิตไปคิดในทางปทางปัญญาต่อไปไม่ควรปล่อยให้จิตคิดเองเพราะจิตนี้เป็นเหมือนเด็ก ชอบจะคิดไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะคิดไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็จะคิดไปเที่ยวไปเดินไปเล่นกันงั้นจิตนี้เราต้องอย่าปล่อยมันเราต้องควบคุมมันหยุดมันเมื่อหยุดมันได้แล้วท่านต่อไปก็ดึงให้มันมาคิดทางตายแล้วให้พิจารณาความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามจากคุณเซเว่นโฮมบางครั้งผมทําสมาธิ ไม่รู้ว่าจับต้นชนปลายถูกหรือเปล่าหรือผมจะทำดีหรือไม่ทำดีผมบุญน้อยทำก็ทำทำก็ทำอย่างคนเดินทางกลางป่าหาจุดหมายไม่ได้เลยสมาธิคือทำอย่างไรถึงจะรู้และเข้าใจถูกต้องครับก็ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราจะรัรงสติอยู่เรื่อยๆให้เราเลิกถึง <S <S คำว่าพุทธโธพุทโธไปภายในใจเพียงอย่างเดียว แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ความสงบเองคำถามจากผู้ฝากถามในกรณีที่พยายามมากที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถบรรลุทำได้ในชาตินี้ตายไปได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงได้พบพระอริยเจ้าเราสามารถปรารถนาความเพียรปฏิบัติและบรรลุทำได้ไหมคะโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติชาตินี้ให้มันหลุดพ้นไปเพราะถ้าไปเกิดไม่ว่าจะบรูรสวรรค์ชาตนไหนเดี๋ยวบุญที่ส่งขึ้นไปนั้นหมดก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่ดีังนั้นควรพยายามภาคเพลินให้มากๆอย่าย่อท้ออย่าหยุดทํำฝึกตามที่สอนมันไม่ยากหรอกให้เราเลิกคําคว่าพุโทโธคําเดียวมันยากตรงไหน ไม่ยอมทํากันมันเลยไปไม่ถึงไหนกันเหมือนกับเวลาขับรถเขาบอกเอากุญแจไปใส่ในรูกุญแจรถเนี่ยแล้วมันก็จะสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปได้ไม่ยอมใช้กุญแจกันไปนั่งเฉยๆรถมันก็ไม่วิ่งต้องเอากุญแจไปเสียบแล้วก็ทัดสตาร์ทเครื่องแล้วมันก็จะวิ่งการพาวนาะของเราก็ต้องเริ่มที่สติเนี่ย เริ่มที่พุโทโธปล พ, พุทองพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่สมาธิปัญญาหลุดพ้นต่อไปตามลำดับและความคิดข้างต้นแบบนี้ถือว่าเป็นภาวะตัณหาไหมคะก็ไม่รู้ละคิดยังไงก็อย่าไปคิดก็แล้วกันที่หยุดความคิดซะเอาพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณไมตรีข้อหนึ่งถ้าเราดูสื่อลามก มันผิดศีหรือเป็นบาปไหมครับและบาปมากไหมครับแล้วถ้าจะฝืนใจไม่ให้มันอยากดูควรจะหาอุบายทำข้อใดมากำลาบครับก็ไปดูสื่อที่แม่รามก ไ, มไปดูอสุภะแทนก็อออสองเข้าพรรษานี้ผมจะบำเพ็ญกุศลในพรรษาคิดว่าจะถือศีลข้อวิการและโภชนาะ แต่ยังไม่เข้าใจว่าต้องล้าเว้นของขบเคี้ยวตอนไหนถึงตอนไหนและช่วงที่ล้าเว้นเราดื่มนมหรืออะไรได้ไหมครับอันนี้ต้องไปศึกษาที่วัดที่เราไปปฏิบัติเพราะแต่ละวัดนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่พูดโดยรวมก็คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอะไรที่เป็นอาหารนี่ก็ไม่รับประทานแต่ตอนบ่ายนี่เขาก็ยังมีอนุ ญ, ญาตให้ รับประทานของที่เรียกว่าเป็นยาได้อยู่แต่ละที่ก็อาจจะมีะความการปฏิบัติไม่ไม่เหมือนกันก็ลองไปอยู่แล้วก็ไปถามไปถามก็ดูก็แล้วกันว่าเขากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างและอานิสง์ของการรักษาศีลข้อนี้มีอานิสง์อย่างไรครับก็ทำให้เราไม่เสียเวลากับการกิน เราจะได้มีเวลามาภาวนาเราก็จะทําให้เราไม่ง่วงนอนหมดแล้วเลยอ่าอย่างส่งไมบครโฟนมาทางคนต่อนะมีคําถามจากโยมที่ได้รับชมการบินทบาทเมื่อเช้าครับอาจารย์ว่าการใส่บาทพระที่เดินบินทบาทกับมาใส่บาทที่ศาลาฉันมีความแตกต่างกันหรือไม่ครับพระอาจารย์ ใส่บาตที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันฮะถ้าเราใส่ไม่ทันเราก็ตามมาใส่ที่วัดก็ได้อันนี้ส่งเท่ากันไหมครับอาจารย์เท่ากันครับคำถามจากคุณอุจังนะครับการพิจารณาดูจิตให้รู้ทันจิตจนเห็นผู้รู้เมื่อเห็นผู้รู้แล้วให้ทำลายผู้รู้คือ ให้พิจารณาอย่างไรคะงงกับคำว่าให้ทำลายผู้รู้มันต้องพิจารณาอย่างไรใครบอกให้ทำลายผู้รู้ไปเรียนมาจากที่ไหนเอาคำทีที่ไหนมามาพูดไม่มีใครเขาสอนให้ไปทำลายผู้รู้ทอนให้ทำลายกิเลสทำลายอวิชชาผู้หลงผู้รู้ไม่ต้องไปทาลายผู้รู้ทำลายไม่ได้ทำลายผู้หลงก็คือโมหะอวิชชา คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณคาคลูรัสนะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างวิภาวะตัณหากับการกําหนดรู้เฉยๆครับรู้เฉยๆมันก็เพียงแต่รู้วิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ารู้เฉยๆก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเช่นจะแจ้งก็ให้มันเจ้งไป ค้าขายแล้วขายไม่ดีจะปิดบริษัทก็ปิดไปอย่างนี้เรียกว่ารู้เฉยๆถ้ารู้แบบวิภวะตัณหาก็คือโอ๊ยเครียดจะตายให้ได้บริษัทจะเจ๊งจะทำยังไงดีวิ่งหาเจ้าเข้าสรงกันวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เรียกว่ามีวิภวะตัณหามีความอยากไม่ให้บริษัทเจ๊ง แต่ถ้าศักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆก็รู้ไปตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะมันจะเจ๊งก็ปล่อยมันจเจ๊งไปจะได้ไม่ต้องมาทำงานให้เหนื่อยไปบวช ด, ดีกว่าคำถามจาคุณสุทินนะครับการการด่าอารัชชีบาปหรือไม่ครับการด่ามันก็เป็นการพูดคำหยาบมัน เราผิดสีลอยู่แล้วไม่ควรที่จะถามคำถามจากคุณมินนี่นะครับอุเบกขาในโพชฌงต่างจากอุเบกขาที่เป็นวิปัสสุกิเลสอย่างไรคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวจะแก้ไขอย่างไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันลองปฏิบัติ ด, ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามข้อต่อไปจากคุณบัคจี้นะครับ ขออุบายในการเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติธรรมครับก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆคิดถึงความเพี ย, อ ย, ร, อยพรอยู่เรื่อยๆคิดถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงลูเสียงกินนอดให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆความเพียรก็จะเพิ่มขึ้นมาเองค ำ, คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณ ว, วิจร์นะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ ถามคถามว่าเมื่อทำทานกับรักษาศีลแล้วมาได้เวลาหนึ่งแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งของการทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วจับลมหายใจที่ปลายจมูกใช่ไหมครับใช่แต่ก่อนที่จะจับปลายจมูกได้<ฮ>ก็ต้องมีสติก่อนเพราะว่าถ้าไม่ฝึกสติมาก่อนเวลามานั่งมันจะไม่ยอมอยู่ที่ลมมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ งห้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิคนที่จะหยุดความคิดต่างๆให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนถ้าไม่เชนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันคิดพุ่งซ่ามันก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถึงต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อนจะใช้การดูร่างกายก็ได้เวลาที่ร่างกายกําลังเคลื่อนไหวกําลังทําอะไรใจก็เข้าดูเพราะจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายไป ทุกิริยาบุตทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะมีสติดึงใจให้อยู่กับลมหายใจได้คำถามจากคุณลาดานะครับการสวดอิติปิโสเกินจำนวนอายุนั้นจะช่วยส่งผลบุญให้ตัวเราผ่านช่วงยากลำบากของชีวิตไปได้หรือไม่คะการสวดนี้เพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความยากลำบากต่างๆส่วนความยากลำบากนี้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะหายไปหรือไม่หายไปก็ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสงบคำถามข้อต่อไปจะคุณเบอร์นัวนะครับกระผมติดอยู่ในความทุกข์ในความรู้สึกผิดของตัวเองที่ล่วงมาแล้วพยายามอยู่กับลมหายใจแต่พอเผลอ ก็กลับมาคิดเรื่องเดิมๆจนสังขารปรุงแต่งเพิ่มเติมไปอีกมีอุบายในการแก้ไขปัญหาใหม่ครับหรือควรพิจารณาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็เกงจะติดสัญญาแล้วสังขารปรุงแต่งให้ผิดทางหรือควรกำหนดกลับมาที่ลมหายใจให้ได้มากที่สุดแต่กระผมก็อยากจะผ่านปัญหานี้ไปให้ได้เลยไม่ทราบว่าการกาหนดลมหายใจจะทาให้เกิดปัญหาอีก จะเกิดทุกข์อีกหรือไม่ถ้าอยู่กับลมหายใจได้มันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงความทุกข์ต่างๆที่เกิดมาแล้วในอดีตมันก็จะหายไปดังนั้นถ้าจะอยู่กับลมก็ได้หรือจะใช้คําบาลีคำพุทโธก็ได้แต่อย่าปล่อยให้มันไปคิดพอไปคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เคยคิดแล้วก็จะทําให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆดงนั้นพยายามใช้สติแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ใช้ดูลมหายใจก็ได้ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ข อ, อให้มันอยาบไปคิดก็แล้วกันคําถามยังนิ่งอยู่ครับอาจารย์เหมือนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอไม่มีก็พอเมื่อกี้บอกพวกสิงคโปร์เขาว่าวันนี้คงไม่มีเวลาไม่ทราบก็ยังรออยู่เปล่ากลับไปแล้วเมื่อกี้สั่งให้เขาไปเอาจากหนังสือภาษาอังกฤษให้เขาไปแล้ว พอคิดว่าวันนี้มันไม่สะดวกที่จะคุยกับเขาก็เลยบอกเขาว่าควรจะมาวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้มีคนมามากก็จะไม่มีเวลาแบ่งให้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็จะสามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับเขาได้ mm. ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุการณ์แต่ก็ให้หนังสือเข้าไปแล้วก็คิดว่าคงจะพอพอใช้ได้ เขบางคนเขาก็บอกเขาก็เปไปดูในยู u b e ได้ก็มีมีทางไปหลายทางก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละจะทำยังไงมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรอีกไหมทางบ้านก็หมดแล้วใช่ไหมวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่เห็นวันนี้เข้ามาเขาเข้าออกครับอาจารย์ก็ระช่วงแรกผมพลาดเสียงค่อยครัอาจารย์ก็เลย กเ็เลยเข้าขอเขาเออตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือร8อยแปดจดสาม้อยแปดจุดสามแต่มีถามเข้ามครับอาจารย์ถามก็ถามเรื่อยๆนะครับจากคุณชำนะครับการที่มีภาระต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวและต้องทาหากินด้วยมีวิธีเจริญสติอย่างไรครับก็ใช้พุทธโธไปนั่นแหละหรือว่าเข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกาย จริญได้เพงแต่ว่ามันยากเพราะว่าเวลาใช้ความคิดมันก็จะเผลอแล้วก็เผลอคิดไปเรื่อยๆเพราะเวลาทำงานทำการก็ต้องใช้ความคิดก็ทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันถ้าอยากจะทำได้มากๆก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวคำถามจากคุณจันทร์แก้วนะครับหากว่าเราเกิดทุกข์เราคิดแบบนี้ได้ไหมคือคิดว่า คิดก็ตายไม่คิดก็ตายได้ไหมครับไม่ได้แหละต้องคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราต้องละความอยากเราต้องหาให้เจอว่าตอนนี้เรากําลังอยากกับอะไรถ้าเราหาเจอแล้วเราเลิกความอยากนั้นได้ความทุกข์ก็จะหายไปคําถามข้อต่อไปจากคุณวันนิสานะครับเวลาใส่บาตรตอนเช้าบางทีไม่ทันได้จบคําบูชาข้าวใส่บาตรก่อน แบบนี้จะเป็นอะไรใหม่คะก็ใส่ไปได้เลยไม่ต้องจบ ก, ก็ได้เราก็จบ ก, ก่อนก่อนที่จะมาใส่ก็ได้เวลาเตรียมตัวก็จบไปในใจคำถามจะกคุณกูลนะครับรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณจะพิจารณาอย่างไรให้เข้าไปถึงใจคะก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็น รูปก็เป็นนัางกายรูปก็มาทำมมาจากดินน้ำล ม, มไฟก็ไม่มีตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ไม่มีตัวตนมันอยู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเรียกว่าอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไปว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันไม่มีตัวตนเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับเช่นเวทนามันจะสุขมันก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมันจะทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเราให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คำถามจากคุณปลาณีนะครับทำอย่างไรถึงจะนั่งสมาธิได้โดยไม่ฟุ้งซ่านคะพองหนอยุบหนออยู่ดีๆก็ฟุ้งหนอ คิดหนออยู่เรื่อยๆค่ะก็เพราะว่าไม่ฝึกสติมาก่อนนั่งต้องฝึกสติไว้ก่อนพุดโธรไปเรื่อยๆก่อนหรือดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายจดจ่ออยู่กับการทํางานของเราของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับการทํางานกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยไปคิดถึงขนมน ม, นมเนยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้มาอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ทุกขณะและเวลานั่งจะไม่ฟุ้งคำถามจากคุณสังคมก้มหน้านะครับเห็นข่าวมีคนฆ่ากันตายบ่อยๆตอนนี้เริ่มกลัวคนด้วยกันแล้วแก้ยังไงดีครับก็พิจารณาว่าความตายนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนลีกเรี่ยงไม่ได้แล้ว เ, เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ลงพ้นความตายไปไม่ได้แต่เราก็ไม่ควรประมานเราก็ควรที่จะรู้จักหลบรู้จักรลีกไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่มันจะทำให้เกิดภัยต่างๆขึ้นมาก็ทำได้เท่านั้นแต่ก็ต้องทำใจยอมรับว่าต่อให้อยู่ที่ไหนปลอดภัยขนาดไหนถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ทั้งนั้นงั้นถ้าไม่อยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องมาบวชคําถามจากคุณสุวรรณนะครับพระที่บวชอยู่ได้นานท่านอยู่ด้วยธรรมอันใดครับก็ไปถามท่านดูได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันะก็ถามพระอาจารย์ก็ได้ครับเราอยู่พระญาติโยมถ้าญาตโยมไม่มาเราก็ไม่อยู่แล้ว ถึงใจไหมวันนี้ อ, อคําถามจะคุณออปนะครับเคยไปนั่งวิปัสสนาที่วัดอำพวันเมื่อนานมาแล้วค่ะแล้วระหว่างที่นั่งอยู่ขณะที่บริกรรมอยู่นั้นสติรู้ทันว่าเราทุกข์ พอรู้แล้วจู่ๆมันก็ดับไปเองเหลือแต่ความว่างเปล่าเคยถามคนรู้จักที่เขาปฏิบัติเขาบอกว่ามันคือนิพพานชั่วคราวเลยเกิดความสงสัยว่ามันใช่หรือคะก็การดับเท่า ก, ก็ถือว่าเป็นการเป็นนิพพานที่ถ้าจะนิพพานที่แท้จริงมันต้องดับตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยถ้าดับแล้วมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาก็ยังถือว่าเป็นเราจะเรียกว่านิพพานชั่วคราวก็ได้ เช่นพระการดับขั้นต่างๆของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านก็ดั บ, ด บ, ดบพระโสดาบันท่านก็ดับทุกเกี่ยวกับความเจ็บความตายของร่างกายได้มันก็เป็นเซี่ยงหนึ่งของพระ น, นิพพานยังไม่เต็มยังไม่เต็มร้อยพอขั้นที่สองขั้นที่สามก็ได้ก็ไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วพอขั้นที่สี่ก็จะถึงค่อยเต็มร้อยดับทุกไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆก็ถือว่ากําลังเข้าสู่ ความเป็นนิพพานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ดับทุกข์หมดไปจากใจแล้วก็เป็นนิพพานเต็มร้อยขึ้นมาคำถามเจ้าคุณปานีนะครับทำบุญด้วยเงินามากๆจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่ทุกข์ได้ด้วยหรือคะ อ, อ่การทำบุญอย่างเดียวนี้ยังไปถึงพรนนิพพานไม่ได้การทำบุญด้วยเงินทองนี่ถ้าเรารักษาศีลด้วย เวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์และเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มีเงินทงองรอรอเราอยู่ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวแต่เราไม่รักษาศีลเราตายไปเราก็ต้องไปอบายอาจจะไปอยู่อบายในสภาพที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเป็นหมาในสมัยนี้คนบางคนไม่มีลูกก็ เห็นหมาหน้ารักก็ซื้อไปเลี้ยงเป็นลูกอันนี้ก็เป็นเพราะว่าทำบุญนาเยอะแต่ไม่รักษาศีลก็เลยยังต้องไปเป็นเป็นเป็นเดชฉานแต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีส ถ, สถานภาพร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามคำถามข้อต่อไปนะคะจะคุณชํานะครับ อาการที่นั่งสมาธิจะรู้ว่ารู้สึกว่าที่มือจะชาและวุบๆุบว่าวาอาการนี้เรียกว่าอะไรครับ อ, อ๋อไม่ต้องไปสนใจล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลานั่งบางทีมันก็เกิดอาการชาขึ้นมาไม่ต้องไปให้ความสําคัญให้สําคัญอยู่ที่สติให้อยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปเองเอาอีกข้อสองข้อก็อพอนะกล้าเลยมา มีคําถามจากฝากถามมานะครับแต่พยายามอ่านให้ได้นะครับถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วหมู่บ้านนั้นเกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันเราจะอยู่เหนือความขัดแย้งของหมู่บ้านนั้นได้อย่างไรควรจะเข้ากับฝ่ายที่มีความเห็นตรงกับเราหรือถูกต้องมากที่สุดกับเราหรือไม่อย่างไรครับครับ ก็อยู่เฉยๆได้ดีที่สุดไม่ต้องไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากคุณจัน์เจ้านะครับบางวันใจสงบไม่คิดอะไรเลยบางวันก็ไม่สงบเกิดจากอะไรครับเกิดจากสติถ้ามีสติมันก็สงบไม่มีสติมันก็ไม่สงบจากคุณโทมินะครับขณะหลับจิตก็อยู่ในสมาธิได้ใช่ไหมครับเวลาหลับนี่มันไม่มีสติ มันก็อยู่ไปตามสตภาพของมันมันอาจจะอยู่ในสมาธิก็ได้อาจจะฝันนู่นฝันนี่ก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามภาวะของมันหมดแล้วใช่ไหมคำถาม ส, สุดท้ายครับอาจารย์คุณจาระนะครับการเจริญสติแบบบริกรรมพุทโธกับแบบดูกายเคลื่อนไหวสามารถทำไปพร้อมกันหรือต้องทาทีละขณะครับทำพร้อมกันก็ได้ดูกายด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้ หรือจะดูกายอย่างเดียวก็ได้หรือพุโทโธอย่างเดียวก็ได้แต่เวลาพุโทโธมันก็ต้องดูเวลาเรากำลังเดินเราก็ต้องดูไปด้วยไม่ใช่อยู่แต่พุโทโธล้วเดินไปชนต้นไม้เดินไมันก็ต้องดูด้วยดูร่างกายด้วยแล้วก็พุโทโธไปด้วยแต่ถ้าเราดูร่างกายอย่างเดียวเราอาจจะไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้แต่ถ้าใช้พุโทโธนี่ต้องดูด้วยว่าเรากาลังทาอะไรอยู่หมแล้วใช่ไหม ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านที่มาในวันนี้จงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสิบเอดปีแล้วนะขอให้ไปปฏิบัติได้นะ <c oughs> เรียนไม่ยอมจบนาทีเรียนชอบเรียนอย่างเดียวไม่ชอบปฏิบัติ มันเลยไม่มีปฏิเวณ